บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปคํามกราบตูลของท่านโทนกะนั้นมีข้อหนึ่งที่ท่านเรียกพระพุทธเจ้าว่าสมัญตจักสุซึ่งแปลว่าพระผู้มีจักสุรอบดันในพระคัมภีร์ได้แสดงจักสุของพระพุทธเจ้าไว้ เป็นห้าประการด้วยกันคือมังสะจักษุได้แก่ดวงตาธรรมดาปัญญาจักษุดวงตาคือปัญญาทิปจักษุดวงตาที่เป็นทิปพุทธจักษุดวงตาของพระพุทธเจ้าและสมัญตจักษุที่แปลว่าจักษุรอบด้านคําว่าจักษุรอบด้านนั้นท่านอธิบายว่าไม่มีอะไรที่ พระพุทธเจ้าไม่ทรงรู้ทรงเห็นแม้สักน้อยหนึ่งดังนั้นในที่นี้จึงหมายถึงพระสัพพัญยุตยานซึ่งเกิดขึ้นจากการจัดสรูของพระผู้มีพระภาคตจ้าข้อนี้ได้มีคนในสมัยพุทธกาลได้เคยทดสอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงรู้ยิ่งเห็นจริงอย่างที่ยกย่องสรรเสริญกันหรือไม่บุคคลเหล่านั้นได้เข้ามาทดลอง พระพุทธองค์ด้วยวิธีการต่างๆเชในเวลาที่พระองค์ทรงแสดงทางแห่งความสุขความเจริญคนเหล่านั้นก็ยักใ้ยไปถามทางแห่งความเสื่อมโดยคิดว่าพระพุทธเจ้าคงรู้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งแต่พระองค์ก็ทรงแสดงทางเสื่อมไว้ในฐานนั้นเพื่อแก้ข้อข้องใจของบุคคลเหล่านั้นแต่บางครั้งบางคราวจนถึงกับมีคนบางคน จะทำในลักษณะกานแกล่งช่นมานิมณ์พระพุทธเจ้าไปสวยพรตาหารที่บ้านของตนแต่ก็ไม่บอกว่าบ้านอยู่ตรงไหนครอบครัวชื่ออะไรแกลงเดินไปในอีกทางหนึ่งเพื่อพระพุทธเจ้าลงทางแต่พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปบ้านของบุคคลเหล่านั้นในตอนเช้าถูกต้องความรอบรู้ของพระพุทธเจ้าที่เป็นประสพพันยุตยานั้น ตันตื่ก็มีคนขล้องใจสงสัยว่าผู้เจ้าทรงรู้อย่างไรเจนในกรณีที่มึกมีคนมาถามปัญหาก็ตอบได้โดยไม่ต้องคิดอะไรก็ถามว่าพระองคิดก่อนหรือเปล่าจึงจะตอบรองค์รับสั่งแสดงว่าเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับคาถามคือพอเขาถามก็จะรู้คาตอบได้ในทันทีทันใดถึงไม่จาเป็นที่จะต้องไปคิดพินิพิจารณาอะไร ภาษาพันยุตยานของพระพุทธเจ้าที่ก่อให้เกิดเป็นคําพูดเรียกว่าสมันตจักสุมแปลว่าจักสุรอบด้านนั้นชาวพุทธเราก็นำมากล่าวยกตองสรรเสริญในบทสวดตั้งแต่สมัยเป็นเด็กที่ใช้คําว่าพร้อมเบนจะพิจักรั ก, ร ก, รกรสุจารดวิมูลใสเป็นจะพิจักรก็คือจักสุ5ประการที่มีความบริสุทธิ์หมดจดในแต่ละจักสุพระพุทธคุณบทนี้จึงเป็นเครื่อง เชเห็นถึงปฏิปทาในการปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัททั้งหลายผู้ปรารถนาที่จะเสริมสร้างจักสุขของตนให้เกิดขึ้นโดยเสด็จประบาทอยุคนของพระภมีพรพุทธเจ้าโดยอาศัยนัยยะความหมายของถ้อยคําในตอนต้นว่าไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่เห็นถึงความจริงในเรื่องเหล่านั้น ประเด็นนี้ในชั้นของการปฏิบัติก็คือลักษณะของการใช้สติปัญญารึกรู้ทันอารมณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของตนอย่างน้อยที่สุดทุกณะที่สัมผัสกับอารมณ์โดยตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นบุคคลผู้มีปัญญาจะต้องสามารถรู้ทันต่อเรื่องนั้นๆอย่างน้อยที่สุดในชั้นแรกก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ตามสมควรแกร่กรณีนั้นในชั้นที่สองเป็นความรู้ระดับพินิพิจนาถึงสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นตามขั้นตอนที่ตนสามารถจะย่างลงไปได้ว่าสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรอะไรเป็นส่วนดีอะไรเป็นส่วนไม่ดีอะไรเป็นส่วนมีประโยชน์อะไรเป็นส่วนไม่มีประโยชน์และในส่วนดีส่วนไม่มีประโยชน์นั้น เมื่อมองไปอีกชั้นหนึ่งก็ต้องพยายามสแสวงหาประโยชน์จากส่วนทั้งสองประการนั้นให้ได้ถึงก็หมายความว่าปริมาณของสติปัญญาที่จะต้องใช้ไปในกรณีนั้นนั้นจะต้องเกิดขึ้นฉับปลัยทันกับเหตุการณ์กับอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คําว่าให้รูป้ประจากชัดในขณะนั้นๆตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่า น, นั้น ข้อ น, นี้จะพบ ป, ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลหรือในชีวิตของบุคคลนั้นส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความไม่รู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่บางเกิดขึ้นจิตใจของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามการกำหนดอารมณ์ในแต่ละขณะเนื่องจากภายในจิตใจใมีบรรดาอสสพกิเลสเครื่องสร้างมองใจอยู่เป็นนันมากการกำหนดอารมณ์ของบุคคล จึงมีลักษณะเป็นการเพิ่มพูนกิเลสมากกว่าจะเป็นการสลายลดละกิเลสซึ่งข้อนี้ถ้าหากว่าพิจารณาเทียบเคียงถึงความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจบุคคลจะพบความจริงประการหนึ่งว่าในขณะที่คุณธรรมสำนึกต่างๆได้เจริญขึ้นมาตามสมควรแก่วัยของบุคคลนั้นได้มีกิเลสประเภทแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้น มีความยึดความถือใหม่ๆเกิดขึ้นติดตามมาด้วยการที่มโนธรรมคุณธรรมไปเกิดขึ้นภายในจิตสำนึกของบุคคล น, นั้นท่านได้แสดงเหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอกเอาไว้เป็นนั้นมากเช่นต้นเกิดมาในตรกุลที่เป็นผู้ดีรับการฝึกปลืออบรมกันมาตั้งแต่ต้นผ่านการศึกษาที่เป็นระบบ ซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจของบุคคลเพิ่มมนโนธรรมสํานึกให้สูงขึ้นภายในจิตใจของบุคคลดอกนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นไปพบสิ่งที่ผิดที่ถูกมากขึ้นและสิ่งเหล่านั้นก็เก็บไว้ภายในจิตใจของบุคคลเมื่อพบก็ใหม่ก็แยกแยะได้จากบทเรียนในอดีตที่คนตนเคยพบมาแล้วทั้งส่วนดีและสวนไม่ดี ประการที่สำคัญก็คือว่ามีจิตใจแ้มแข็งอาหารในวัดวันต่อบันดาอารมณ์ที่เป็นฆ่าศึกต่อจิตใจทั้งหลายข้อนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากแม้แต่ใ น, ในการปฏิบัติระดับทานที่ในพระบาลีท่านแสดงว่าการให้ทานกับการทำสงครามเสมอกันคือเหมือนกันในการทำสงครามนั้นมีฆ่าศึกศัตรูที่คอยหักล้าง ทำลายเราจุรอบด้านและจะมาในลักษณะใดก็ไม่รู้เหมือนกันบางครั้งก็มาเป็นศัตรูเปิดเผยบางครั้งก็มาในรูปร่างอิ้ซอนเรนบางครั้งก็มาในรูปของมิตรแต่ก็มีความคิดการกระทำพร้อมที่จะเป็นศัตรูต่อบุคคลชั้นใดก็ดีใจิตใจของบุคคลที่มุ่งบำเพ็ญความดีว่าจะเป็นชั้นของการให้ทานการฟังธรรมการรักษาศีลก็ตามจะมีค่าสืบต่อใ จ, ใจิตใจ เป็นความโลภความริษยาความขวม้มความสนิทความเกียดคร้านความเหนื่อยหน่ายเพราะถอยเป็นตนเกิดขึ้นต่อต้านความคิดที่เป็นกุศลเหล่านั้นถ้าปริมาณของความคิดที่เป็นอกุศลมีกำลังสูงแกก็ทําลายกุศลแเจตนาที่บังเกิดขึ้นให้ พ, า พ, าพา่ายแพ้ไปเมื่อบุคคลหันมามวิเคราะห์ตรวจสอบสภาพจิตของตน จะพบว่ากุศลธรรมเป็นนั้นมากที่เกิดขึ้นแล้วเจริญเติบโตไม่ได้แล้วก็ตกไปจากจิตเพราะถูกอานาจของอกุศลซึ่งมีกําลังมากกว่าท่วมทับใจลดความเจริญเติบโตของกุศลธรรมเหล่านั้นเอาไว้กุศลเจตนาเกิดขึ้นตั้งใจจะทําความดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนอดแล้วก็ทําไม่ได้เช่นเป็นนั้นมากมันแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในด้านจิตใจทําไมจิตใจจึงอ่อนแอ เพราะว่าถูกเบียดเบียนทำลายจากอากุศลทุจริตต่างๆนั้นจิตจใจที่มีความกล้าแข็งหรือเข้มแข็งไม่หวัดวันต่ออารมณ์ที่เป็นข้าศึกวิเคราะห์ตัดสินได้ทันทีถึงความคิดบางครั้งบางคราวจะแฝงมาในรูปเป็นมิตรก็ตามในลักษณะลักษณะทะนุถนอมหว ง, ห, วงห่วงใ่ต่อบุคคลเดล่ดนั้นก็ตามแต่ก็ใช้สติปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบได้ว่า ถ้าตนประพฤติกรรมไปตามความคิดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นผลจะออกมาเป็นความทุกข์หรือเป็นความสุขก็วินิจฉัยได้ในทันทีทันใดนั่นก็คือลักษณะของความคิดที่รู้ทันอารมณ์ในแต่ละขณะเป็นการเพิ่มปริมาณความเข้มแข็งขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหาดังนั้นถึงถ้าเราดูแล้วก็คล้ายๆกับสงครามที่ท่านยกตัวอย่างเป็นรูปปร้บนบรรดาข้าศึกศัตรูนั้น คือผู้ที่พยายามจะทำลายกลุ่มกำลังของควายเราแต่ต้างหากว่าควายเรามีความเข้มแข็งเด็ดเดียวมีความระมัดระวงังกสาา็สามารถสามารถปัะทาด้านผ่านกำลังของควายค่าศึกไว้ได้กุศลและจิตที่เกิดขึ้นภายในบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือถ้ามีไว้พิปติพานวินิจฉัยได้ก็จะตัดสินอารมณ์ได้ในขณะนั้ น, น, น อีกประการหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาจากอิงอาศัยปัจจัยภายนอกเป็นเครื่องค้ำยันใจของบุคคลเอาไว้เจะอาจจะจำลึกถึงชาติสกุลของตนจำลึกถึงสํานักการศึกษาของตนจานึกถึงครูบาอาจารย์ของตนจำลึกถึงชาติบ้านเมืองของตนซึ่งเป็นองค์ประกอบอกวา้างจากภายนอก กลัวว่าถ้าประพฤติการทำความชั่วความผิดออกไปแล้วผลเสียนอกจากจะเกิดขึ่งแต่ตนเองแล้วจะ ก, กระทบกระเตือนทั้งบุคคลอื่นด้วยเดืดจะคิดว่าถ้าตนทําอะไรลงไปแล้วต่อไปไปจะต้องเสียใจในการภายหลังอย่างที่ท่านสอนไว้ว่าความชั่วไร้ไม่ทํำเสด็อ จ, จะดีกว่าก็ทําทไปแล้วจะต้องเดือดร้อนใจมีความทุกข์เป็นผลที่ต่อเนื่องกันไปทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติภายภาคหน้า บางคนอาจจะคิดถึงถ้อยคํายกจ้องหรือตำหนิของวินยูชนแต่ก็งดเว้นไม่ประพฤติกระ ท, ะทำในสิ่งที่วินยูชนท่านตำหนิแต่ก็เพียนพยายามที่จะกระทําในสิ่งที่วินยูชนท่านยกจ่องสันเสริญหรือบางครั้งอาจจะคิดรัวต่ออาญาของบ้านเมืองเพราะกฎหมายกําหนดห้ามปราโมอาไว้แม้กระทําเช่นนั้นตาปราศกว่าตนกระทําไปก็จะเป็นการผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองและถูกจับกลุมคุมขังลงโทษ เรือจะกลัวภัยในนรกต้องการอุบัติบังเกิดในสุคติที่มีความประนีตขึ้นไปเป็นต้นแต่ละอย่างนั้นเป็นการหล่อหลอมให้เกิดมโนธรรมสานึกขึ้นภายในจิตใจของบุคคลจะทำหน้าที่ขจัดกิเลสที่ตรงกันข้ามกับตนให้เจือจางบาบางลงไปตามกาลังแห่งกุศลธรรมที่สร้างให้บังเกิดขึ้น แต่ว่าในขณะเดียวกันจากการศึกษาก็ดีจากความเป็นบุตรธิดาของตระกูลก็ดีจากวัยอายุที่เพิ่มขึ้นก็ดีแต่จา ก, กจิตใจที่กระหารก็ดีถ้าบุคคลไม่มีสติสมัญญะดีพอวิเคราะห์ตัดสินสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนไม่ได้เด่นชัดแล้วเราจะพบความจริงอีกด้านหนึ่งว่าพวกเหล่านี้พร้อมที่จะก่อกิเลสประเภทหนึ่งให้เกิดขึ้นนั่นคือมานะ ความกระด้างความถือตัวจัดเป็นการเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่ก่อนแล้วโดยสายความเป็นบุตรที่ดาของสกุลที่เรียกว่าเป็นผู้ดีเป็นตระกูลสูงเป็นต้นแล้วก็มีความรู้สึกดูถูกดูหมิน่นหยาดยามบุคคลอื่นจึงตัวเน้นว่ามีสกุลต่ํากว่าตนในด้านของการศึกษาก็อาจจะประลบการศึกษาของตนที่เกิดขึ้นใหม่ๆแล้วก็สร้างกิเลสใหม่ ตัวการศึกษานั้นเป็นการสร้างธรรมะแต่ว่าถ้าใช้ไม่เป็นก็จะกลายเป็นการสร้างกิเลส <c oughs> คือมานะเพราะความรู้ฉันปัญญาตรีฉันปัญญาโทฉั้นปัญญาเอกหรือว่าเอกด้วยกันชั้นมหาวิทยาลัยฉันเก่งกว่าหรือมหาวิทยาลัยระดับเดียวกันฉันมีความสามารถมากกว่าเป็นต้นคือพยายามที่จะสร้างปมเหล่านี้ขึ้นแล้วกลายเป็นมานะความกระด้างขึ้นภายในจิตใจของบุคคล วิชาการทางโลกจึงเป็นศินละปะตัววิชาการนั้นเป็นศาสตร์และในชั้นของการใช้จะต้องมีศิละปะในการใช้คือใช้ได้ทั้งทางบวกทั้งทางรูปอย่างสมนวนที่พูดกันว่ามีดสองคมหรือดาบสองคมถ้าใช้เป็นก็เป็นประโยชน์ใช้ไม่เป็นก็เพิ่มอกุศลทุจจริตขึ้นมาข้อนี้สามารถพิจารณาเทียบเคียงแม้ได้แม้ภายในจิตใจของตนเอง บางครั้งบางคราวไม่มีอะไรตัวเองแต่งตัวดีกว่าคนอื่นก็เกิดมาณาคมคนอื่นแล้วว่าเราแต่งตัวดีกว่าคนนั้นเสื้อผ้าแพงกว่านั่งรถราคาแพงกว่าก็จะเกิดมาณขึ้นมาทุบบินคนอื่นบ่ะก็ดื่นตามกว่าตนตนนั่งรถราคาแพงกว่าเป็นต้นอาจจะปรารคป้านช่องหรือสว น, นราได้นาฐานะทางทรัพย์สินฐานะทางสังคมขั้นของเงินเดือนแต่เราั้องตีต่างเป็นต้นต้นแล้วแต่ พร้อมที่จะพลิกด้านหนึ่งขึ้นมาคือกลายเป็นมานะความกระด้างความถือตัวความเจดจริงความอวดดีขึ้นมาอายุที่มากขึ้นก็นจะมีลักษณะเช่นเดียวกันจึงเพระาะว่าในขณะที่เพิ่มคุณธรรมความดีขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นก็ได้ดึงเอามานะความกระด้างว่าเรามีอายุมากกว่าคนเดือจะต้องแสดงความเคารพนับถือเราอ่อนน้อมต่อเรา เวลาใครให้เหตุผลชี้แจงอะไรก็มักจะอ้างอ้างเอาอายุเป็นคมบุคคลอื่นชนะน้ำมาก่อนแก่เป็นต้นอาบน้ำร้อนมาก่อนแก่เป็นต้นจะเป็นคำพูดที่ออกจะแพร่หลายพอสมควรเมื่อได้วิเคราะห์ตรวจสอบถึงสภาพจิตที่มีความคิดและพฤติกรรมออกมาในลักษณะ น, นี้ถามใจดู ว, ว่านั่นเป็นอะไรบุคคลก็จะตอบได้ว่านั่นคือกิเลส ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกันมาจากส ก, กุลวงจากการศึกษาจากอายุที่เพิ่มขึ้นและจา ก, กจิตใจที่กล้าหาญของตนเป็น ต, นต้นแต่ถ้าว่าบุคคลได้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบระลึกทันในแต่ละขณะก็จะก็จะตัดสินอารมณ์เหล่านั้นได้ในทันทีทันใดาสิ่งเหล่านั้นเป็นอะไรเป็นกุศลหรืออกุศลควรจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไร ในปฏิยาชั้นสูงคือนิยะชั้นสูงอันเป็นหลักซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้ในพระชนม์นชีพของพระองค์นั้นท่านเล่าไว้ในคมภีรต่างๆเป็นนั้นมากกว่าบางครั้งบางคราเทพบุตรตมานือมานที่เป็นเทพบุตรได้ปลอมตนออกมาในรูปลักษณะต่างๆเป็นพระมแก่บ้างเป็นชาวประมงบ้างครั้งก็เป็นกษัตริย์เป็นต้นบ้าง มาล่อลวงพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆแต่พอโผรหน้าเข้ามาท่านั้นเองพระพุทธเจ้ารู้ทันทีแต่จะรับสั่งทักว่าดูก่อนมารผู้มีบาปมารก็ละอายอันตรท า, านไปจากที่นั้นซึ่งก็หมายความว่าปริมาณของความรู้ทันในชั้นนี้ส่วนหนึ่งระดับหนึ่งสามัญชนทั่วไปสามารถที่จะเสริมสร้างขึ้นไปได้ให้รู้เท่าทันอารมณ์เหล่านั้นตามความเป็นจริง อารมณ์ใดที่ก่อให้เกิดความกำหนัดแน่นอนในชั้นของการคลองเรือนั่นก็ต้องกำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอยู่เป็นธรรมดาเรายังต้องมีการแสวงหายังต้องมีการสร้างฐานะของตนเองให้เกิดความมั่นคงในทางเศรษฐกิจแต่ถ้าสติสัมปชัญญะมีปริมาณมากพอแล้วก็จะปิดกระแสความกำหนัดความพอใจความยินดีในอารมณ์เอาไว้ในข้อคายที่ตนจะใช้ความเปลี่ยนพยายามได้มา ไม่ถึงกับเป็นการโลภร่วงเกินไปคำโลภร่วมเกินไปนั้นคือร่วงไปในสิทธิผลประโยชน์ของบุคคลอื่นอยากได้ของของบุคคลอื่นซึ่งในกรณีนี้เวลาคุมมาอยู่แกก็ล้นออกมาเป็นการทำลายชีวิตบุคลบบคลอื่นทรัพย์สินบุคคลอื่นคู่ครองของบุคคลอื่นแสดงให้เห็นถึงความโลภที่มันร่วงขอบขั้นเขตแดนของธรรมะออกไปแล้วก็กลายเป็นอกุศลนธรรม เป็นพฤติกรรมที่เป็นทุจริตเป็นการผิดศีลผิดธรรมอย่างที่ทราบกันแต่การระลึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่บางเกิดขึ้นนั้นจะต้องอาศัยตัวปัญญาและสติเป็นหลักสาคัญอารมณ์บางครัง้บงบันคามีการกระทบกระแทกมาจากข้างนอกรุนแรงบ้างไม่รุนแรงบ้างก็จะต้องบินิจฉัยอารมณ์ในขณะนั้ น, น, นอาจจะหยุดความโกรธเอาไว้ ภายในใจแล้วค่อยๆให้ดับไปโดยลำดับเกิดแลก็คงจะเกิดเพราะว่าจิตใจของบุคคลก็ยังมีเชื้อกิเลสอยู่เป็นแน่นมากแต่ทํำยังไงจึงอย่าให้ออกมามากเกินไปให้อยู่ภายในจิตใ จ, จอย่างสัมนวนที่เราพูดกันในสังคมว่าน้ําขุนไว้ในน้ำใสภายนอกถ้าว่ามีการประพฤติปฏิบัติได้ในลักษณะจิตใจก็จะมีกําลังมีภูมิต้านทานเข้มแข็ง ขึ้นโดยดั่มดับาจะสามารถต้นานทานอารมณ์ได้เรอจะใช้หลักเพียงระดับของโยนิสโสมนัสิการคือการทำในใจไว้โดยบานยับคายมีเหตุมีผลมีคนบรรด่าว่ามีคนมาแสดงอาการกริยาที่ไม่เหมาะไม่ควรกระตุกก็วินิจฉัยการกระทําของบุคคล น, นั้นลงไปในทันทีทันใดว่าการกระทาของบุคคล น, นั้นในขณะนั้นไม่เหมาะไม่ควรไม่ถูกต้องเป็นอกุศล ใจของเขาของเขาถูกเผาลนด้วยบาปทุวยจติต่างๆโดยสรุปรวมก็คือเขาเป็นคนผ่านเป็นคนเลวถ้าเราจะมีการด่าตอบประหารตอประทุษร้ายตอบมีการกริยาตอบเช่นเดียวกับเขาก็เป็นการทําตัวเราให้เป็นคนผ่านตามไปด้วยตกตามตามเขาไปด้วยก็ตกลงไปในหลุมบ่อคูดหมดุดถิงส ก, ร ป, กปรกปฏิกูลต่างๆแล้วก็ปล่อยเขาไปแปดเพื่อนของเขาคนเดียว ไม่ยอมแปดเปื้อนตอบประกอบไปการหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ได้ในชั้นหนึ่งนี่ก็ต้องอาศัยความรู้รอบด่านที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆั น, นแต่ในขณะเดียวกันก็มองผลชั่มโยงจากสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆเพราะว่าบางครั้งบางคราวบุคคลไม่ได้คาดหมายถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำ แต่มองเฉพาะสิ่งที่ตนกระทําในขณะนั้นๆว่ารู้สึกว่าถ้าได้ทำอย่างนั้นและจะดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าความโกรธที่เกิดขึ้นนั้นมันเหมือนกับกินอ้อยคือการตอบสนองความโกรธที่บังเกิดขึ้นก็อยากด่า ก, ก็ดา่าอยากปทุสราวก็ปฏิสรายอยากจะทําอะไรอานละวาดย่างไงก็ออกมาครุมครามไปทรงแสดงว่าเหมือนกินอ้อยที่มีรส รสข้างกลายมันหวานแต่กุยรากเป็นพิษก็กินลึกลงไปแล้วในที่สุดจะประสบพิษกินตัวเองจะตายเพราะการกินอ้อยหวานนั่นเองจิตใจที่ปล่อยให้ถูกความโกรธความโลภเป็นต้นครอบงํารุนแรงเกินไปก็มีลักษณะอย่างนั้นถาก็าปล่อยให้ล่วงเส้นขนานของกุศลธรรมกับอกุศลธรรมคือไปตกในกระแสของอกุศลแล้ว ต่อไปจะมีผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ถ้ามีสติปัญญารู้เท่าทันในอารมณ์ในกรณีนั้ น, น, นๆก็จะแก้ไขปัญหาต่างๆคือยุติปัญหาต่างต่าลงไปได้อย่าวน้อยที่สุด ก, ก็เป็นการลดความรุนแรงของปัญหาเหล่านั้นเพราะดีบความสามารถในการประพฤติปฏิบัติธรรมานั้นมีกําลังแตกต่างกันโดยพื้นฐานของอินทรีย์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในครั้งก่อนก่อน ข้อนี้การมองถึงผลที่เกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแม้บางครั้งบางคราวเราก็มองผลในอดีตในปัจจุบันไม่เห็นแต่ก็ต้องคาดหมายผลที่เกิดขึ้นอันต่อเนื่องจากเหตุในขณะนั้นๆบุคคลก็จะมองเห็นว่าเหตุและผลนั้นมีการทยอยต่อเนื่องกันไปแบบน้ําไหลผ ย, ยสว่างที่สํานวนทั้นใช้คําว่าปฏัติกรยาลูกโซ่คือมันเกิดต่อเนื่องกันไป ถ้าเริ่มดักจุดไม่ดีต่อไปก็ต้องไม่ดีเป็นธรรมดาเริ่ม จ, จุดดีต่อไปก็ต้องดีเป็นธรรมดาเมื่อวินิจฉัยตรงนี้ไม่ทันก็ต้องวินิจฉัยในโอกาสอื่นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นต่อไปจะต้องเป็นอย่างนั้นมาเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นเรื่อยไปแล้วก็ตัดกระแสของความคิดหนุนไปได้นี่ก็เป็นชั้นการระมัดระวังใจในแต่ละวันไม่ว่าจะอยู่ในเรียบบทใดก็ตามเป็นเรื่องของการใช้ปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้น มินิใช้ได้ในขณะนั้นว่าเป็นกุศลหรืออกุศลให้ได้เสียก่อนคือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้ได้เสียก่อนแล้วต่อไปก็แยกยาก้ยายออกไปให้ชัดเจนใช้ประโยชน์ตามลักษณะที่มันเป็นคือดีก็ใช้ตามดีไม่ดีก็ใช้ตามให้ดีแต่ในขั้นหนึ่งนั้นเป็นการปรับเพื่อเพิ่มปริมาณส่วนดีให้ดีมากขึ้นส่วนไม่ดีให้ได้ประโยชน์ในระดับที่ลดหลั่นกันขึ้นไปแต่การจะทําส่วนที่ไม่ดีเป็นส่วนดีนั้นปริมาณของปัญญาต้องสูง หากว่าปริมาณข้อปัญญาต่ําก็อาจจะเป็นอันตรายโดยก็ไม่ต้องดูอื่นไกลว่าแม้แต่ไฟซึ่งเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันถ้าหากเราใช้โดยขาดปัญญาเป็นเครื่องปีนิพิจารณาแล้วแทนที่จะรับประโยชน์จากไฟก็อาจจะประสบอันตรายจากไฟได้โดยบางครั้งบางคราวที่ก่อให้เกิดความรูปหนงมัวเมาก็พยายามเพิ่มปริมาณสติปัญญาเข้าไปวิเคราะห์ตรวจสอบ ในชั้นแรกอาจจะอยู่แค่ความเครือบแคลงสงสัยคือวิจิกิจยาในเรื่องเหล่านั้นว่าอะไรเป็นอะไรก็อย่าเดินหน้าต่อไปคล้ๆกับว่าเดินทางไปถึงทางสองแพร่งแล้วไม่รู้จะไปทางไหนดีก็ต้องหยุดไว้ก่อนอย่าฝีพรามเดินออกไปเพราะถ้าจะผิดแล้วก็อาจจะสูญเสียเวลาไปเป็นนั้นมากแต่การหลงทางนั้นก็อาจจะเสียเฉพาะเวลาแต่ถ้าหลงล ง, ล, งลุ่มหลงใน อารมณ์ในสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นจนนาไปสู่การประพฤติปฏิบัติแล้วมันเกิดเป็นการตัดรอนอนาคตของตนในชาตินี้แล้วก็ตัดรอนอนาคตที่ดีงามต่อไปในชาติหน้าด้วยถ้ามาถึงจุดนี้ไม่น่ใจก็อาจจะอาศัยการศึกษาการสอบถามการสนทนาการค้นคว้าหรือการคิดให้ลึกลงไปในจุดตอนนั้น และปริมาณของปัญญาที่จะวินิจฉัยตัดสินความถูกต้องในสิ่งนั้นๆก็จะบังเกิดขึ้นโดยลำดับด้า น, นการเพิ่มปูนปริมาณของปัญญาพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไว้โดยอเนกเกสรยายคือในญ่าต่างๆอาจจะเกิดขึ้นด้วยธรรมสากาัะฉาคือสนทนาธรรมกันและเปลี่ยนความคิดความเห็นกันอาจจะเกิดขึ้นจากการฟังอาจจะเกิดขึ้นจากการคิดอาจจะเกิดขึ้นจาก เกิดขึ้นจากการบูรแบบชีวิตการกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ทําไปแล้วเกิดผลไปแล้วรับผลเป็นความสุขความทุกข์ไปแล้วทั้งนี้นแล้วแต่เป็นหลักในการที่จะวินิจฉัยตัดสินอารมณ์ว่าจะก่อให้เกิดความรุ่มหลงหมัวเมาประมาทหรือไม่ในชั้นต่อไปนั้นจะเห็นว่าบางคราวบางคราวก็ใช้ในรูปของวิปัสสนาคือาการรู้เท่าทันต่ออารมณ์และพิจารณาเห็นถึงสภาวะที่แท้จริงของอารมณ์เหรานั้น จะได้ทรงสอนพิจารณาว่าเอวังธโมเอวังภาวเอวังอนาติโตคือธรรมชาติเป็นอย่างนั้นสภาวะเป็นอย่างนั้นไม่พ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้หรือจำนวนบางครั้งบางคราวที่เราออกมาพูดกันในสมัยปัจจุบันที่ใช้คําว่าตัทธตาคําว่าตัทธตานั้นก็คือันเป็นเข้ามันอย่างนั้นเองคือเราหาเรื่องเอาคํายากมาพูดให้มันดุ่งไปเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้นั้นคือตัทธตามันเป็นเขามันอย่างนั้นเอง คนเราสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกดับไปในที่สุดนั้นคือตถาตานั้นคือสิ่งที่เป็นธรรมนตาที่จะต้องเกิดขึ้นแก่สิ่งทั้งหลายแล้วก็รู้เท่าทันในสิ่งนั้นปิดกั้นกระแสความคิดจิตใจเอาไว้ไม่ให้เสียใจในความพิปัติในความแตกดับของสังขารธรรมทั้งหลายที่เป็นปียชนคนรักของตนและไม่ให้ โสมนัส ด, ดีใจเมื่อคนอันเป็นตรรูของตนตดับไปทมใจสงบอยู่ได้ด้วยอุเบกขาธรรมอันจะน้อมนำจิตให้เข้าให้เข้าถึงธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นไปโดยนำดับดังนั้นในยะแห่งสมานตจักรสุของพระพุทธเจ้าอาจจะทำในด้านสมถะคือทำใจให้สงบในพระพุทธคุณบทนี้อาจจะใช้ในัยยะของสมานตจักรสุขเข้าไปรอบรู้ในสิ่งต่างๆตามกำลังความสามารถของตน และผลก็จะเกิดขึ้นโดยการนำจิตของบุคคลเข้าสู่คันรองแข่งธรรมโดยเสด็จรอยบาทยุคนของพระพระภาคเจ้าได้ตามสมควรแก่กา ร, รปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป